194. วิปปตะสมาธายะปันนรสกะว่าด้วยการ剁กระถินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไปส5ห้ากรณีส1 7รสิกเจุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่า จะให้ทาจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทาจีวร น, นั้นการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกราญกะถินแล้วนาจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทาจีวร น, นี้จะไม่กลับ การเดาะกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกะถินแล้วนำจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะทำให้จีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวร น, นั้นจีวรที่ให้ทาอยู่นั้นเกิดเสียหาย การดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายติกะที่หนึ่งจบภิกษุกรานกระถินแล้วนําจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละให้ทําจีวร น, นั้น การดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยธรรมจีวรเสร็จภิกษุกรานกะถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทาจีวร น, นี้การดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจ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 ให้ทาจีวรผืนนั้นการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยทรรมจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้ลีกไปโดยไม่ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทาจีวร น, นี้ จะไม่กลับการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปโดยไม่ตั้งใจคือเธอไม่ได้คิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่า จะให้ทาจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการเดาะกระถินของพิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายติกะที่สามจบภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป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 จะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทําอยู่นั้นเกิดเสียหายการเดาะ ก, กระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกลานกรถินแล้วนําจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมา ให้ทาจีวร น, นั้นทาจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกะถิ่นดอกเสียแล้วการดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกะถินแล้วนำจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกศีหมาให้ทาจีวร น, นั้นเธอทําจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจะกลับจะกลับแล้วล่วงคราวกระถินนดอกนอกสีมาการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวร น, นั้นเธอทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับ แล้วกลับมาทันกระถินดอกการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายฉักกะจบสมาธาะปัณนนรสกะจบอาธายภาณวานจบ